สำหรับมหาสิริประทานสูตรในวันนี้เป็นเรื่อง <c oughs> ในสมัยพระพุทธเจ้าทรงฟังบทอายตนะ ตายจากเทวดามาเกิดเป็นพรหมมาหรือมยตนะเสียแล้ว ต่อมาอีกเวลาครู่หนึ่งพระเทยยตนะโดย ผมก็จะขออาราธนาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ ผมต้องสารบะเทวทัตเลยไม่ จริงกว่าจะสิ้นลมปราณเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ได้ไม่ลงนรกเมื่อไหร่ๆอยู่เสมอว่าเมื่อเวลาตายลงไป และขอเปลี่ยนเปลิฟรรษาทีตาม enrolled ที่องoons thieves ประสELLавสมพุตจาวโสงสร ว่าปุนะจากหรังพิขเวพิขุ ธ� Cry 잠 должman ofstellung of K View humanavari เพิ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน pinpointed รับ utan bevor rashาวัสก tradit living in already in a day. transition. Dh pass documents PainINed for following the youth journey in querukhepsutam. peter writings.farm Sóaman Iij get married for the portunmaking session. ultimateذ familiale ฟัง ว่าดูก่อนภิกษุนั้นหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรม ก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระ ย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอัน 1 ความที่สังโยชน์ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยอันใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยฟังญาตินิดนะแต่ก็ฟังไว้เพราะ ย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอ1 ความที่สัญโญชน์อันตนละสิแล้วอ1 สัญโญชน์ย่อมเกิดขึ้น อ1 สัญโญตความที่สัญโญตอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอ1 ความละสัญโญตที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ ย่อมรู้จักจมูกด้วยย่อมรู้จักกลิ่นด้วยอนึ่งสัญโญตย่อมเกิดขึ้นอาศัยจมูกและกลิ่นทั้ง <ro> 2 อันใดย่อมรู้จักอันด้วยอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อม อันแห่งความที่สัญโญชน์อันตนละแล้วย่อมไม่เกิดด้วยการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จัก อ1 สัญโญชน์ที่อันยังไม่เกิดขึ้นย่อม อันแห่งความที่สัญโยชน์อัน 1 สัญโญตอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้น ย่อมรู้จักอาธัมมารมคือสิ่งที่พึงรู้ด้วยใจด้วยข้อ 1 สัญโญชน์ย่อมไม่เกิด อัน 1 ความละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นเสร็จได้แล้วด้วยประการใดย่อมรู้จักประการ ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธออะไรๆในโลกด้วยดูคืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกดัง ที่ทรงตรัสเพื่อว่าเป็นการป้องกันก็มีความจําเป็น <c oughs> ฟังถ้าฟังตามนี้ก็กลุ่มใจปวดหัวมั้ยถ้าฟังตามนี้ก็กลุ้มใจเวลาที่เราจะปฏิบัติเราจะทํายัง <c oughs> อุปังเสียงเสียงสัมผัสหูเสียงเบญยตนะภายนอกจมูกเบญยตนะภายในกลิ่นเบญยตนะภายนอกที่ไม่คู่กัน วนวะตาเห็นรูปรูปสวยติดในรูปลืมไปว่ารูปเนี่ย โอ้ได้ยินเสียงเสียงเพราะชอบใจแต่ว่าบังเอิญถ้า <c oughs> เมื่อเกิดขึ้นมีความผ่องใสไม่ <c oughs> ความจริงพระพุทธเจ้าสอนให้ยอมรับนับถือกฎของความ คิดว่ารูปที่เราต้องการมันสวยสดงดงามแต่ก็ไม่ได้ดูรูปคนงามก่อนรูปที่เกิดขึ้น ว่าพระฤาษีวัดท่านคิดยังไงจึง 120 ปีท่านถามว่าคนนี้หรือ ตัวมันก็มายกลิ่นผีๆใต้ซากอย่างนี้น่ะเลยคนมีๆมันก็เหี่ยว คุมจริงๆมันคุมที่จิตผมขอพูดแบบจริงๆไอ้จะคุมคุมตาคุมๆคุมที่จิต ค่อยเตือนจิตวิหาว์ๆเนื้อๆมันไม่มีการ แล้วมันเสื่อมทรอมลงไปขนาดนั้นถามเขาว่าเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นโตเติบขึ้นมาพองไส้เต็มที่ ในที่สุดก็สลายตัวที่สุดก็สลายตัวนรูปเต็ม 4 หัน 9 ที่ผ่านมา 3 รายการ แต่เดาว่ามันไม่ตาย โอ้พรานเราไม่สอยฟังเสียงแล้วสอยแรงเราไม่มีฟังเสียงเรามีแรงร่าง <c oughs>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 เพราะว่าไม่มีกลิ่นอะไรทั้งหมดสัมผัสประสาทหูแล้วมันก็หายไปเป็นอันว่าไม่เกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็เป็นอนัตตาสลายตัวไปในฤทธิ์เหมือนกับเสียงนั่นแหละแต่ว่ามันที่ขังอยู่ในจิตเพราะจิตมันจําแต่ความ เมื่อพอใจเสียงอย่างนี้พอใจกลิ่นอย่างนี้เลิกกลิ่นก็ดีเสียงก็ดีมันทําให้เราดีขึ้นๆมันต้องอยู่ หายไปเลยแล้วเราเวลามันไปแล้วเราไปดึงกลับมาได้มั้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้เราไปยุ่งกับมัน ของที่กินเข้าไปแล้วทั้งหมดเลือกแล้วแต่รสเลิศ ทุกคนนี่อย่านึกว่าเราก็กินไม่ได้ไอ้โรงโรงตา ฉะนั้นก่อนจะกินคนอย่าสนใจในรถเพื่อเป็น ว่าเราจะไม่กินเพื่อติดในรถเราจะไม่กินเพื่อติดนรกเราจะไม่กินเพื่อติดกลิ่นเราจะไม่กิน ธาตุพืชทั้งหมดสกปรกสัตว์ทั้งหมดสกปรกเมื่อปรุงเข้าแล้วก็มารวมกัน ถ้าไม่พิจารณาก่อนลงนรกทุกองค์เวลาก่อนชนะอาหารโปรดทราบไว้ด้วยถ้าตายแล้ว มันก็ไม่สามารถจะสร้างคนที่มีโรคภัยใคร เสียงกรรมกันไม่ใช่ห้ามหูกลิ่นไม่ใช่สมัยห้ามจมูกลิ้นไม่ใช่ แต่สิ่งที่รับสัมผัสจริงๆ32 มั่นสะอาดหรือ 9 ค่อยท่านงเรื еёalesกัростเลย บ้านทรายกัน sus por a reason สามารขือจะothesัดก่ril jamais so เรียกันม incidental Oraj. aret. จาระแยกแยกันที่ர oui รpit de procureur analytical íll抱ทรรมạรมที่เกิดและrix กลิ้มเช BURS คลียกไทรรม conoc ด้วย borrowt 떨pr รรamон Bharati อร είναι ว่าคันเคราะpor кол Здhouse ทรรรมครับก拥ดั Veggie Za นำ this century นำ�� Ownerlied คำพอท lasers專ing จำไว้อันนี้ว่าถ้าภาพร่างกายของคนคนดีของสัตว์คนดีของเราก็ดีของ อันนี้เป็นสําหรับนัยตนะนี่ก็ ถ้าเรา ประ�เรื่อง มันชินได้เมื่อไหร่เราจะมีโคจิตเป็นสุขเมื่อนั้น แล้วก็ๆก็คือระวังที่ใจตัวๆไป ไม่ใช้ในเวลาเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอานาปานุสติกรรมฐานต้องทรงเป็นปกติใน ถ้าจิตมันฟุ้งซ่านก่อนน้อมจิตไปจับอานาปานสติกรรมฐานจิตมันรักสวยรักงามก็ไปๆก็ไปดู อเสตศูนย์จิตตานุปัสสนาเป็นปกติและอารมณ์เลวมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ พยายามทรงกายตามอติยาศัยที่